ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตปรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไม้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะดิฉันรัศมีมณีนินวันนี้จะเป็นการแสดงกำลังของกองทัพใหญ่ฝ่ายคู่บรมีซึ่งนำโดยมักคบดีที่เป็นแม่ทัพ ต้องบอกว่าเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายดีนะคะแล้วก็กองทัพนี้จะประกอบไปด้วยไพร่พลที่เป็นใครอย่างไรกันบ้างมีริ d เด e ที่เทียบได้กับฝ่ายของสังโยชน์ซึ่งเป็นกองทัพฝ่ายมารหรือไม่ก็คือมีฝ่ายมารแล้วก็ฝ่ายพุทธไม่ใช่ฝ่ายมารกับฝ่ายเทพนะคะฝ่ายมารกับฝ่ายพุทธ ฝ่ายมาเนี่ยแสดงแสนยานุภาพไปแล้วคราวนี้จะเป็นฝ่ายพุทธซึ่งมัชคบดีเป็นแม่ทัพใหญ่น่าสนใจนะคะว่ากองทัพฝ่ายนี้จะมีแสนยานุภาพเกรียงไกรขนาดไหนติดตามกันได้เลยนะคะสําหรับตอนที่12ของจิตตนครที่ใกล้จะจบเต็มทีค่ะคุณฟังท่านไหนที่มีญาติผู้ใหญ่เป็นคนที่สนใจในเรื่องของจิตภาวนานะคะอยากจะแนะนําว่าดาวน์โหลดเรื่อง จิตตะนะครแล้วก็ไร้ลงซีดีเอาไปเป็นของขวัญของฝากรับรองว่าท่านจะต้องถูกใจแน่นอนเลยนะคะเพราะนี่คือพระนิพนธ์ของสมเด็จพระาญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ได้นำเอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตใจของเรามานิพนธ์ในรูปแบบนิยายบุคลาทิสฐานทำให้อ่าน สนุกแล้วก็เข้าใจง่ายเหมาะมากนะคะสําหรับคนที่สนใจโครงสร้างทางจิตใจแล้วก็กระบวนการทํางานของจิตใจอันซับซ้อนแต่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราคะ่ะจิตตะนะครนะครหลวงแห่งโลกนะครหลวงแห่งเรานะครหลวงที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราพร้อมหรือยังคะในการที่จะไปชมแสนยานุภาพของฝ่ายมัก กองทัพของฝ่ายคู่บารมีฝ่ายดีที่ตรงกันข้ามกับฝ่ายมารถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตอนนี้บรรดาหัวโจกและสมุนทั้งหลายของสมุทรไทยที่ถูกส่งให้เข้าไปแทรกแซงในหมู่ประชาชนไม่มีโอกาสในการที่จะปั่นป่วนหรือว่าสร้างความวุ่นวาย มีแต่จะต้องถอยหลบออกไปเพราะไม่อาจจะแทรกแซงได้ในที่อันสงบแต่ก็คอยหาทีหาโอกาสอยู่หากเกิดความไม่สงบขึ้นเมื่อไหร่พวกนี้ก็จะเข้าแทรกแซงทันทีแต่ตอนนี้ชาวเมืองจิตตะนะครมีแต่ความสงบมีความสงบเกิดขึ้นอย่างแปลกประหลาดหลังจากพระสุรเสียงของพระพุทธองค์ ที่จัดสอนเกี่ยวกับเรื่องของกุศลและอกุศลส่วนทังฝ่ายคู่บา ร, รมีและแม่ทัพมัคคบดีเมื่อเห็นว่าชาวจิตตะนครทั้งปวงมีจิตสงบเรียบร้อยมีอาการทางกายวาจาสำรวมเรียบร้อยหัวโจกทั้งปวงของสมุทไทยพร้อมทั้งสมุนทั้งหลายก็หลบถอยออกไปห่างไกล ด้วยอำนาจของอิทธิปาติหารและอาเทศนาปาติหารถึงเวลาที่จะแสดงกำลังแห่งกองทัพมักในฐานะเป็นอนุสาสนีปาติหารได้แล้วจึงสั่งกองทัพมักที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วให้เริ่มออกเดินแสดงกำลังกองทัพมักออกเดินโดยลำดับดังนี้นี่คือโครงสร้างของกองทัพฝ่ายพุทธนะคะกองทัพน้อยที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบแบ่งออกเป็นเหล่าทุกขยานความรู้ในทุกเหล่าสมุทัยยานความรู้ในเหตุเกิดทุกเหล่านิโรธยานความรู้ในความดับทุกเหล่ามรคยานความรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกแต่และเหล่าก็ยังแบ่งย่อยออกไปอีกมากกองทัพน้อยที่สองสังมาสังกับป่า สัมมาสังกัปปะคือความดําริชอบแบ่งออกเป็นเหล่าเนฆัมมะสังกัปปะความดําริออกจากกามเหล่าอัพพยาบาทสังกัปปะความดําริไม่พยาบาทอวิหิงสาสังกัปปะความดําริไม่เบียดเบียนแต่ละเหล่าก็ยังแบ่งย่อยออกไปอีกมากกองทัพน้อยที่สสัมมาวาจาวาจาชอบ แบ่งออกเป็นเหล่ามุสาวาทาเวรมณีเว้นจากการพูดเท็จเหล่าปิสุนวาจาเวรมณีเว้นจากการพูดส่อเสียดเหล่า พ, พ, พระสุภรุสวาจาเวรมณีนะคะเว้นจากการพูดคําหยาบพรุสวาสน่ะล่ะคะ่ะพรุสวาจาเหล่าสัมผัสปราปาเวรมณีเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อ และแต่ละเหล่าก็ยังแบ่งออกไปอีกมากกองทัพน้อยที่สสัมมากรมันตะการงานชอบแบ่งออกเป็นเหล่าปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหล่าอธินาธานาเวรมณีเว้นจากถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยเจตนาเป็นขโมยเหล่ากาเม มิจฉาจาราเว ร, รมณีเว้นจากประพฤติผิดในกาบแต่ละเหล่ายังแบ่งย่อยออกอีกมากกองทัพน้อยที่5สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบแบ่งออกเป็นเหล่ามิจฉาอาชีวะปหานะเว้นจากอาชีพผิดเหล่าสัมมาอาชีวะสังกับขอไผ่เนี่ยะเหล่าสัมมาอาชีวะกับปะสำเร็จอาชีพชอบและแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมาก ต่อจากกองทัพน้อยที่หก็มาถึงกองทัพน้อยที่6สัมมาวายามะความเพียรชอบแบ่งออกเป็นเหล่าสังวรประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นเหล่าปหานะปะทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเหล่าภาวนาประทานเพียรทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเหล่าอนุรักษณ า, าประทานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่และให้เจริญงอกงามมากขึ้น แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากกองทัพน้อยที่7สัมมาสติความระลึกชอบแบ่งออกเป็นเหล่ากายานุปัสนาสติปทานตั้งสติพิจารณ า, ากายเหล่าเวทนานุปัสนาสติปทานตั้งสติพิจารณ า, าเวทนาเหล่าจิตตานุปัสนาสติสฤฤาาาตาาปท า, า, านตั้งสติพิจารณาจิตเหล่าธรรมานุปัสนาสติปทานตั้งสติพิจารณาธรรม แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากกองทัพน้อยที่8สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากเป็นเหล่าปฐมฌานความเพ่งที่หนึ่งประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาเหล่าทุติยฌานความเพ่งที่สองประกอบด้วยปิติสุขเอกัคคตาเปล่าจตุตาฌาน ความเพ่งที่4ประกอบด้วยเอกคคตาอูเบขาแต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากครั้นกองทัพใหญ่มกักอันประกอบด้วยกองทัพน้อยทั้ง8เดินแสดงกำลังผ่านไปตามลำดับแล้วก็กลับเดินย้อนกลับมาทวนลำดับอีกครั้งคือกองทัพน้อยที่8สัมมาสมาธิที่7สัมมาสติที่6สัมมาวายามะขณะนั้นมีเสียงประกาศว่าสามกองทัพน้อยนี้ รวมเข้าในกองทัพพิเศษจิ ต, ตสิกขาหรือสมาธิต่อจากนั้นกองทัพน้อยที่5สัมมาอาชีวะที่ 4. สัมมากรรมมันตะที่สสัมมาวาจาขณะนั้นมีเสียงประกาศว่าสากองทัพน้อยนี้รวมเข้าในกองทัพพิเศษคือศีละสิกขาต่อจากนั้นกองทัพน้อยที่สองสัมมาสังกัปปะที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิ ขณะนั้นมีเสียงประกาศว่าสองกองทัพน้อยนี้รวมเข้าในกองทัพพิเศษก็คือปัญญาศิขาเมื่อกองทัพใหญ่มกักแสดงกำลังโดยลาดับและทวนลาดับแล้วก็มีเสียงประกาศว่าจะมีการแสดงการแปรขระบวนตามระบบที่ชื่อว่าอนุปปพปฏิ ป, ฏปทาความปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติโดยลาดับคือกองทัพพิเศษศีลศิขาประกอบด้วยสัมมาวาจา สัมมากรัมรมันตะสัมมาอาชีวะที่มีชื่อเรียกพิเศษว่าอาชีวะมัทกะศีนศีนมีอาชีวะเป็นที่8คือสัมมาวาจา 4. สี่สัมมากรัมรมันตะ 3, สสัมมาอาชีวะอีกหนึ่งรวมเป็น8ข้อเป็นศีนในอริยมรรคต่อจากนั้นกองทัพพิเศษจิตสิกขา ประกอบด้วยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิต่อจากนั้นกองทัพพิเศษปัญญาสิกขาประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วได้แสดงอนุปุภะปฏิปทาแห่งกองทัพมักแปรรูปในลักษณะต่างๆ เช่นในธรรมนับตั้งแต่หมวดหนึ่งหมวดสองขึ้นไปจนถึงโพธปักเคียธรรม37ประการเป็นต้นกระจายออกไป 84,000 สี่พันพระธรรมขันธ์แล้วสรุปลงในลำดับธรรมดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งศีลแบ่งออกเป็นจุลศีลมหาศีลต่างๆมากมายอันเป็นเหตุให้ได้อนุวัชสุขคือสุขอันเกิดจากกรรมที่ไม่มีโทษข้อที่สอง อินทรีย์สังวรคือสมรวมสิ่งที่เป็นใหญ่ในตัวเราคือตาซึ่งเป็นใหญ่ในหน้าที่เห็นรูปหูในหน้าที่ฟังเสียงจมูกในหน้าที่ดมกลิ่นลิ้นในหน้าที่ลิ้มรสกายในหน้าที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องและมณะคือใจในหน้าที่รู้หน้าที่คิดเรื่องทั้งห้าดังกล่าวและเรื่องที่ยังเก็บมารู้มาคิดต่าง โดยมีสติสำรวมระวังในเวลาที่ตาเห็นรูปเป็นต้นและก็ใจคิดเรื่องต่างๆมิให้อคุสละธรรมต่างๆเกิดขึ้นแล่แล่นมาสู่จิตอันเป็นเหตุให้ได้สุขที่เกิดจากจิตที่ไม่รั่วไม่เปียกชุ่มด้วยความยินดียินร้ายข้อที่3สติสัมปชัญญะคือมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ตัวอยู่ในอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนและในอิริยาบถเล็กน้อยทั้งปวงอันเป็นเหตุให้ได้สุข ที่เกิดจากความมีสติสัมปชัญญะข้อที่สสันโดษความสันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่ของตนมีความอิ่มความเต็มความพอไม่คิดโลภเพ่งเลง็งทรัพย์หรือสิ่งของของผู้อื่นเพราะว่าไม่อิ่มไม่พอถ้บัญพชิตก็ยินดีเพียงพอแต่จีวรสําหรับบริหารกายบินทบาทสําหรับท้อง เหมือนอย่างนกมีเพียงขนเป็นภาระบินไปไหนไปไหนได้ตามปรารถนาอันเป็นเหตุให้ได้สุขที่เกิดจากความอิ่มความพออันเป็นทรัพย์อย่างยิ่งข้อที่หจิตตะปริโสธนะคือเสพคืออยู่ในเสนาสนะคือที่นอนที่นั่งที่อยู่อาศัยที่ว่างที่สงัดหรืออยู่ป่าอยู่โคนไม้อยู่ภูเขาลำลำธารห้วยระแหงที่สงบสงัด ตั้งสติละนิวรณ์คือกิเลสเครื่องกั้นจิตมิให้สงบตั้งมั่นและมิให้รู้ตามเป็นจริง mm hmm. เช่นการ ม, มาชฉันทะความพอใจรักใคร่ในกามอภิชาความโลภเพ่งเลงไปถึงคนและวัตถุต่างๆโดยความอยากได้เป็นสิทธิ์ของตนพยาบาทความโกรธแค้นขัดเคืองมีจิตปราศจากอภิชาพยาบาทมีความเอนดูกรุณาเกื้อกูลสัตว์ทั้งปวงไม่เลือกหน้า และมีสติสัมปชัญญะรมอาโลกะสัญญาสำคัญหมายว่าแสงสว่างกำจัดความง่วงความท้อแท้ความคิดฟุ้งซ่านมีจิตสงบและความสงสัยไม่แน่ใจในกุศลธรรมทั้งหลาย ต่อจากนั้นได้ปรากฏภาพอุปมาให้มองเห็นโดยภาพเปรียบเทียบว่าจิตที่ปราศจากนิวรมีความสุขเหมือนอะไรหรือเหมือนใครเป็นภาพที่ปรากฏชัดแจ้งในอากาศที่ชาวจิตตะนครมองเห็นทั่วกันภาพที่ปรากฏในอากาศซึ่งชาวจิตตะนครมองเห็นทั่วกันนั้นก็เช่นเดียวกับที่คู่บา ร, รมีได้เคยแสดงแก่นครสามีโดยมีโยนิโสมนสิกานได้แสดงภาพประกอบว่า นิวรห้าเหล่านี้ก็เหมือนกับความเป็นหนี้ความเป็นโรคความต้องขังในเรือนจำความเป็นาธาตและเดินทางกันด่านส่วนความพ้นจากนิวรห้าก็เหมือนอย่างคนที่พ้นจากหนี้พ้นจากโรคพ้นจากเรือนจำพ้นจากความเป็นาธาตมีแต่ความเป็นไทยแก่ตนพ้นจากทางกันดานบรรลุถึงภูมิประเทศอันกเกษมข้อที่6ฌานคือสมาธิที่แน่วแน่ฌานสี่ ประกอบด้วยหนึ่งปฐมฌานเพราะเมื่อละนิวรณ์ทั้ง5ได้ก็จะเกิดปราโมทจิตที่เกิดปราโมทก็คือบันเทิงแล้วก็เกิดปิติใจที่มีปิติก็เกิดความสงบกายจึงได้สวยสุขเมื่อมีสุขจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่เข้าขั้นปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาคือความมียอดคืออารมณ์เป็นอันเดียว ผู้ที่ได้ฌานนี้มีกายอาการทางใจทั้งหมดเต็มไปด้วยปิติสุขอันเกิดจากความวิเวกเหมือนอย่างผงสำหรับอาบน้ำหรือสำหรับฟอกที่พรมน้ำให้เปียกชุ่มทั้งหมดสองทุติยฌานมีปิติสุขเอกะขะตาผู้ที่ได้ฌานสองนี้มีกายทั้งหมดเต็มไปด้วยปิติสุขอันเกิดจากสมาธิเหมือนอย่างบอ่อน้าลึกมีน้าพุผุด พุ่งขึ้นแล้วตกพรมลงไปทั่วหมดตติยะฌานมีสุขและเอกักขาตาผู้ที่ได้ฌานสามนี้มีกายทั้งหมดเต็มไปด้วยสุขที่ไม่มีปิติเหมือนอย่างดอกอุบลเป็นต้นที่เกิดโตขึ้นในน้ำชุ่มน้ำอยู่ตั้งแต่ยอดถึงโคนทั้งหมดจะตุดจะตุดทะฌานคือฌานที่สี่มีเอกักขาตาและอุเบคา ผู้ที่ได้ฌานที่สีน่นี้มีใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไปทั่วกายเหมือนอย่างนั่งคลุมศีรษะด้วยผ้าขาวโพนสภาพจิตที่ปรากฏด้วยอำนาจการปฏิบัติธรรมของกองทัพมักมีระดับต่ำสูงดังกล่าวและทุกระดับเป็นความสุขทั้งสิ้นดังนั้นแม้ปรารถนาจะทำความสุขให้เกิดขึ้นแก่จิตใจก็ต้องปฏิบัติธรรมตามลาดับคือมีศีล มีอินทรีย์สงวรมีสติสัมปชัญญะมีสันโดษมีจิตตะปริโสธนะและมีฌานช่วงหน้านะคะชาวจิตตะนครถึงไกรสรารนคมเห็นสัจจะของสมุ ท, ทยห้องสมุดหลังใหมโดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่12ค่ะกำลังเข้มข้นแล้วก็ใกล้จบเต็มทีนะคะสำหรับจิตตะนะครยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกถึงในพระปรีชาสามารถของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะคะที่พรงนํนำเอาเนื้อหาเรื่องราวที่ค่อนข้างจะซับซ้อนและเข้าใจยากมานิพนธ์ให้เป็นโนนิยาย มีตัวละครแล้วก็ทำให้เราอ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้นอันนี้คือเข้าใจง่ายขึ้นแล้วนะคะก็ในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายที่ทำให้ทุกกับฝ่ายที่ทำให้ไม่เป็นทุกกันนะคะอย่างตอนที่จะอ่านให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นตอนที่ชาวจิตตนครถึงไตรสรณะคมเห็นสัจจะของสมุ ท, ทยัยแล้วก็หลังจากนั้นจะมีข้อมูลน่าสนใจค่ะเกี่ยวกับเรื่อง องประกอบหรือว่าโครงสร้างนะคะของร่างกายของเราที่สมเด็จพระสังฆราช ท, ท่านเปรียบเป็นเหมือนกับโรงงานว่าในร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีโรงงานต่างๆโรงงานทำผิวโรงงานทำผมนะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามการเวลาเสื่อมไปตามกาลในขณะที่สมุ ท, ทยัยก็พยายามที่จะทำทุกอย่าง ให้เป็นไปตามใจอะไรที่มันเหี่ยวมันย่นก็พยายามที่จะแก้ไขหรือว่าพยายามที่จะปิดบังเอาไว้อ่านแล้วก็โดนใจไม่น้อยนะคะเพราะมีข้อธรรมที่บอกว่าความมัวเมาในวัยถ้าเป็นเช่นนั้นจริงยุคนี้สมัยนี้ก็กำลังมัวเมาในวัยนะคะมัวเมาว่าเราจะเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปโดนจริงๆโดนใจแบบจังๆเลยนะคะ ยุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครยอมแก่กันง่ายๆละะ้วค่ะเอาละมาฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะกับจิตตานครค่ะพระนิพนธ์สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังขราชสกลมหาสังฆปริณายกนะคะกับบทที่ชื่อว่าชาวจิตตานครถึงไตรสรณคมเห็นสัจจะของสมุมรไทยภายในความสงบชาวจิตตานครมีจิตาซาบซึ้งในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณ มีความผ่องใสของใจที่ซาบซ่านสงบอยู่ทันใดนั้นก็มีเสียงที่เปลงขึ้นกึกก้องในความสงบพร้อมกันว่านโมตัสสะพะคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอะระหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพุทธทังสระนังขะฉามิเข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาระอันเป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัยได้จริง ธรรมังสรนังคัจฉามิเข้าไเจ้าถึงพระธรรมเป็นสารณะสังคังสารนังคัจฉามิเข้าไเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสารณะทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิแม่วาระที่สองเข้าไเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะทุติยามปิธรรมังสรนังคัจฉามิแม่วาระที่สองเข้าไเจ้าถึงพระธรรมเป็นสารณะ ตติยามปิสังคังสรนังคัชามิแม้วาระที่สองเข้าไเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสารณะตติยามปิพุทธังสรนังคัชามิแม้วาระที่สามเข้าไเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะตติยามปิธรรมังสรนังคัชามิแม้วาระที่สามเข้าไเจ้าถึงพระธรรมเป็นสารณะตติยามปิสังคังสรนังคัชามิ แม้วาระที่สามเข้าไเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสาระต่อจากนั้นมีเสียงร้องประกาศขึ้นในหมู่ชาวจิตตานครว่าสมุทัยเป็นทุก์สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกอาสวะสมุทัยเหตุให้เกิดอาสวะคือกิเลส ท, ที่ดองสันดานสัตว์หาใช่เป็นสุขสมุทัยหาใช่เหตุให้เกิดสุขโดยแท้จริงไม่ฝ่ายสมุทัยกับพักพวก ต้องถอยห่างออกไปด้วยอนุภาพแห่งกองทัพมัคเมื่อเหตุการณ์ผันแปรไปในทางเป็นประโยชน์แก่กองทัพมัคฝ่ายสมุไทยก็มีความเสียใจแต่ก็ยังมั่นใจในกองกาลังกองทัพสังโยดว่าจะสามารถเอาชนะกองทัพมัคและจะสามารถยึดจิตตะนครไว้ได้จนถึงที่สุดคูอาสวะก็ได้แต่กล่าวปลุกปลอบใจสมุไทยให้เข้มแข็งต่อสู้ต่อไป ขณะ น, นั้นสติกับอินทรีย์สังวรได้เข้าคุมทวารชั้นนอกชั้นในทั้ง6อารมณ์กับนิวรณ์ได้คุมเชิงใกล้ๆศีลวิณัยและสุจริญสได้เข้าคุมไตรทวารอีกส่วนหนึ่งทุจริตสได้คุมเชิงอยู่ใกล้ๆฮิริโอตปะได้เข้าตรวจตราเป็นนครบาล หวจกทั้งสากับพักพวกอันธพานทั้งหลายได้คุมเชิงอยู่ใกล้ๆสติสัมปชัญญะคุมการจราจรหรืออิริยาบถอสติสัมปชัญญะคุมเชิงอยู่ใกล้ๆสันโดษคุมการปันส่วนทรัพย์สินเครื่องอุปโภคบริโภคอิจฉาโลภมัฉริยะคุมเชิงอยู่ใกล้ๆ สัมมาทิฐิกับโยนิสโสมณสิการและสัจจะคุมสมองเมืองมิจฉาทิฐิกับอโยนิสโสมณสิการและมายาคุมเชิงอยู่ใกล้ๆอัปปมาธรรมคุมใจกลางเมืองปมาทธรรมคุมเชิงอยู่ใกล้ๆกองทัพมากได้คุมตรงบริเวณที่ชุมนุมแสดงกําลังคือตรงถนนสี่แพร่งบรรจบกันกลางจิตตานครนั้น โดยไม่ยอมขยืนกำลังออกไปฝ่ายกองทัพสังโยต์ก็ได้ชุมนุมคุมเชิงอยู่ไม่ไกลจากกองทัพมัคคูบารมีได้เข้ากำกับนิเวศส่วนในของนครสามีอยู่ด้านหนึ่งและกระจายกำลังธรรมขันทั้งปวงออกตรวจตราดูแลจิตตะนครทั่วไปในความควบคุมของมักคบดีคูอาสวะก็เข้ากำกับนิเวศส่วนในของนครสามีอีกด้านหนึ่ง และกระจายกำลังกิเลสตันหาทั้งปวงออกเผชิญหน้ากับกำลังธรรมขันธ์ทุกแห่งในความบังคับบัญชาทั่วไปของสมุทัยและสังโยช์บดีต่างระดมรวมกำลังเต็มอัตราทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะเปิดฉากรบแย่งจิตตะนครกันเฝ้าแต่รอจังว่าอันเหมาะเท่านั้นเป็นอันว่าสงครามชิงจิตตนครจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้แล้ว สถานการณ์กำลังตึงเครียดอย่างที่สุดขณะที่สถานการณ์ทางทหารในจิตตานครกำลังตึงเครียดอย่างที่สุดสถานการณ์ทางธรรมชาติทุกอย่างของจิตตานครก็ทวีความคับขันขึ้นมาอีกทางหนึ่งด้วยคือจิตตานครที่เป็นเมืองมีภูเขาเมือหมาวงล้อมเป็นเหมือนอย่างวงแหวนและค่อยๆกริ่งเข้ามาหาทั้ง4ทิศโดยรอบดังกล่าวในตอนที่ว่าด้วยขขา ว, วงแหวนแล้วนั้น วงแหวนดังกล่าวได้ค่อยๆกริ้งใกล้เข้ามายิ่งขึ้นและยิ่งสูงเงือมงำจดฟ้าหน้าสะพึงกลัวยิ่งหนักถ้าไม่หยุดกริ้งเข้ามาก็น่ากลัวว่าจะกริ้งเข้ามาบดขยี้จิตตานครทั้งสิ้นให้พังพินาศไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงทั้งเมื่อภูเขา ว, วงแหวนกระชับวงอันมหือมาสูงจะดฟ้าเข้ามาอาการแปรปรวนของจิตตานครเองก็เพิ่มมากขึ้น ธาตุดินน้ำไฟลมก็ไม่ปกติถนนสี่แพร่งของเมืองก็ชํารุดซุดพังจนเกือบเหลือที่จะซ่อมระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในทั้ง6ก็ชํารุดหัวหน้าของระบบสื่อสารทั้ง6กก็ย่อนกําลังเรี่ยวแรงไม่ว่องไวัยกระชับกระเฉงเหมือนเดิมโรงครัวของเมืองก็ชํารุดระบบขนส่งและคมานาคมทางท่อตลอดถึงระบบขับถ่ายทางท่อต่างๆทั่วเมืองก็ซุดโทมลงทั่วไป โรงงานต่างๆของเมืองก็เช่นเดียวกันโรงงานต่างๆเหล่านี้ตั้งอยู่ทั่วจิตตานครได้แก่โรงงานเกษาคือโรงงานทาผมโรงงานโลมาทำขนโรงงานนัขาทำเล็บโรงงานทันตาทำฟันโรงงานตัดโจทำผมเอ่ยทำหนังโรงงานมังสังทำเนื้อโรงงานนหารูทำเอ็น โรงงานอัฐิทำกระดูกโรงงานอัถิมินชังทำเยื่อในกระดูกโรงงานวักังทำไตโรงงานหทะยังทำหัวใจโรงงานยะกะนังทำตับโรงงานกิโลมักังทำพังผืดโรงงานปิหะกังทำม้ามโรงงานปับผาสังทำปอดโรงงานอันตังทำไส้ใหญ่โรงงานอันตะคุ่นังทำไส้เล็ก โรงงานอุทริยังทำอาหารใหม่โรงงานกรีสังทำอาหารเก่าโรงงานมัทเทเกมัทลุงคังทำขม ó n ในขม óng สีสะโรงงานเหล่านี้สังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาโปทาตแล้วก็ยังมีโรงงานทำไฟอีกหลายโรงสังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเตโชทาตแล้วก็ยังมีโรงงานทำลมอีกหลายโรงเช่น โรงงานอัดสาสะปัดสาสะทำลมหายใจเข้าออกสังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานอีกคนหนึ่งชื่อวาโยธาธและก็ยังมีโรงงานทำอากาศคือช่องว่างเช่นท่อต่างๆซึ่งต้องมีอยู่มากมายในจิตตาลนครสังกัดอยู่ในอธิปดีกรมโรงงานอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าอากาศธาตุโร ง, งงานทั้งปวงนี้ล้วนชมุดซุดโสมทั้งหมดทั่วเมือง โรงงานในจิตตนครทั้งหลายรวมเข้าเฉพาะที่สําคัญสําคัญก็มากกว่า40โรงงานแต่ละโรงงานแรกๆเมื่อยังใหม่ก็ผลิตสิ่งต่างๆออกมาด้วยดีทั้งโดยคุณภาพและปริมาณชาวจิตตนครก็มีสิ่งต่างๆอุปโภคบริโภคเพื่อดํารงชีวิตอยู่เป็นสุขและสนุกสบายงดงามไปทั่วเมืองไม่มีสิ่งใดบกพร่อง เป็นสมัยที่สมุทัยสบายใจที่สุดเพราะชาวเมืองพากันสนุกสบายดังที่ฝ่ายคู่บา ร, รมีเรียกว่ามัวเมาอยู่ในวัยในความไม่มีโรคในชีวิตและความพรั่งพร้อมทั้งปวงไม่จำเป็นต้องสร้างมายาอะไรขึ้นความพรั่งพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างในจิตตนครนี้เองเป็นเครื่องทำให้ชาวจิตตนครพากันหลงละเริงยินดี สมุทัยเพียงตะคอยสร้างโรงภาพยนตร์อารมณ์ส่งเสริมความสุขสนุกสนานให้ยิ่งขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็สร้างสถานบำเรอบำรุงต่างๆให้เกลื่อนเกลอทั่วไปคล้ายกับเมืองที่เรียกว่าสิีวิไลทั้งปวงในปัจจุบันแต่ต่อมาเมื่อโรงงานทั้งหลายเก่าแก่ชำรุดประกอบทั้งธรรมชาติแวดล้อมจิตตนครปรากฏเป็นภูเขาวงแหวนเมื่อือมากระชับเงื้อมงัเข้ามาโดยรอบ ภายในจิตตนครเองก็มีอาการแปรปรวนสุดโสมลงแทบทุกอย่างโรงงานทั้งหลายก็พลอยชำรุดลดจำนวนและคุณภาพสิ่งที่ผลิตออกมาลงไปทุกทีทุกทีปรากฏผลเป็นความไม่เพียงพอไม่งดงามขึ้นทั่วไปยกตัวอย่างเช่นโรงงานเกษาทำผมเดิมผลิตผมออกมามีสีงดงามดำสนิทอันนี้หมายถึงสีสำหรับคนที่ผมดาอย่างเช่นคนไทยนะครับ และมีจำนวนมากเพียงพอในการที่จะปกส่วนสีสะเมืองทั้งหมดแต่ต่อมาเมื่อโรงงานเก่าแก่ชำรุดก็ผลิตผมออกมาไม่ได้สีเหมือนเดิมกลายเป็นสีขาวมากขึ้นจนถึงไม่อาจผลิตเป็นสีดำได้ออกมาเป็นสีขาวโพรนไปทั้งหมดทั้งโดยมากไม่เพียงพอที่จะใช้ทาให้สีสะเมืองดูโล่งเตียนไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างตรงกลางบ้างข้างๆ้าบ้างบางทีก็โล่งเตียนไปทั้งหมด แปลว่าผลิตออกมาไม่ได้หรือว่าน้อยเต็มทีเป็นเส้นละเอียดเล็กน้อยหรือเกือบจะมองไม่เห็นด้วยตาทำให้สมูทยัยต้องเข้ามาทำมายาปิดบังด้วยวิธีต่างๆเช่นทำยาย้อมผมให้ใช้เพื่อให้มองดูดาสนิทเหมือนอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สอนวิธีหวีส่วนที่มีมากไปปิดส่วนที่บกพร่องหรือว่าสร้างผมปลอมขึ้นสวมสอนวิธีดัดแต่งต่าง ต่อสู้กับสัจจะ ข, ของธรรมชาติอย่างเต็มที่ส่วนโรงงานตะโจโรงงานทำหนังตอนแรกๆหนังก็ตึงเรียบเปร่งปร่งงดงามแต่เมื่อเก่าแก่หนังที่ผลิตออกมาก็ย่อนย่ น, ยนสีคล้ำหมองสมุทัยสอนวิธีใช้แป้งสีตบแต่งต่างๆจนถึงใช้วิธีผ่าตัดดึงที่หย่อนให้ตึงแต่เมื่อเก่าหนักๆเข้าถึงย่นเป็นเกลียวกล้านหยาบเลอที่จะตกแต่ง สมุไทยก็แนะนำให้พอกแป้งเข้าไว้จนเหมือนอย่างใช้ปูนโบกผนังตึกหนักเข้าเหลือกำลังแก้ไขสมุไทยก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรจะสร้างโรงตะโจให้ใหม่แทนโรงเก่านี้สมุไทยในปัจจุบันนี้เก่งมากนะคะสามารถที่จะปิดบังความชราขอเพียงมีเงินเนาะ จิตตนครนจำต้องอาศัยสิ่งที่ผลิตขึ้นจากโรงงานทั้งปวงมาประกอบเป็นจิตตนครขึ้นตั้งต้นแต่จุดแห่งชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจุดตั้งต้นแห่งชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านี้เรียกว่ากัลละบางคนในปัจจุบันอาจจะเรียกว่าเซลล์จุดเริ่มต้นแห่งจิตตะนครนนี้องค์พระบรมครูเรียกว่ากัลละ ส่งอธิบายว่าประมาณหยาดน้ามันงานที่ติดปลายได้ที่ฟันด้วยปลายขนทราย3เส้นคือเป็นอย่างหยาดน้ามันงานนิดหนึ่งทางวิชาการแพทย์ปัจจุบันบอกว่าประกอบด้วยเซลล์ที่เล็กที่สุดซึ่งไม่สามารถจะมองด้วยตาเปล่าต้องใช้กล้องจุลทรรศน์สองดูจึงจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นของเหลวคล้ายวุ้นอย่างเละๆหรือแป้งเปียกมีธาตุต่างๆผสมอยู่หลายอย่าง จิตตนาครประกอบด้วยเซลล์เป็นจำนวนมากและมีการแบ่งแยกหน้าที่ออกเป็นหมวดหมวดเพื่อทำหน้าที่หลายอย่างให้เหมาะสมแต่ละหมวดรับผิดชอบแตกต่างกันแต่ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเซลล์เหล่านี้ยังประกอบกันขึ้นเป็นเนื้อและเนื้อตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปประกอบกันขึ้นเป็นอวัยวะเช่นกระเพาะอาหารลาไส้ตับอวัยวะที่ทาหน้าที่รวมกัน หรือเกี่ยวเนื่องกันหลายอวัยวะจะรวมกันเข้าเป็นระบบตามหน้าที่ของแต่ละชนิดทั้งหมดมี9ระบบคือ 1. ระบบโครงกระดูกมีหน้าที่เป็นโครงร่างเป็นต้นมีจำนวน206ชิ้นแต่แพทย์โบราณในลางกานับได้300ท่อนนะคะส่วนเด็กในคันจะมีประมาณ800ชิ้นเพราะกระดูกยังไม่ต่อกัน สระบบกล้ามเนื้อมีคุณสมบัติหดตัวยืดตัวหรือหย่อนตัวคล้ายหยาสาระบบประสาทมีหน้าที่ควบคุมหน้าที่ต่างๆของจิตตาณครให้ปฏิบัติและประสานงานกันควบคุมความคิดและความประพฤติทําให้เห็นได้ได้ยินได้ให้พูดได้ให้เคลื่อนไหวได้ควบคุมหน้าที่ของอวัยวะภายในให้ดําเนินไปโดยปกติ รับความรู้สึกต่างๆจากภายนอกโดยรอบและบอกได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรควรจะจัดการปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นสี่ระบบการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลืองประกอบด้วยหัวใจหลอดเลือดและเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของจิตตนครระบบหายใจ5านะคะระบบหายใจประกอบด้วยอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ ในแก่จมูกช่องจมูกปอดโครงกระดูกกระบังลมและกล้ามเนื้ออื่นๆที่เกี่ยวกับการหายใจเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนแกส๊สระหว่างโลหิตกับอากาศโดยรับเอาออกซิเจนเข้าไว้ถ่ายเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและก็ช่วยเห็บทำให้ความร้อนอยู่ในระดับปกติเป็นต้นในเวลาหายใจเข้าช่องอกจะขยายโตขึ้นทุกๆุทาง ทางด้านหน้าด้านหลังและด้านข้างๆโดยรอบกล้ามเนื้อบางส่วนหดตัวซี่โครงยกขึ้นท้องยื่นออกปอดพองโตโดยช่องอกขยายใหญ่ขึ้นอากาศก็จะผ่านเข้าไปเวลาหายใจออกช่องอกจะแคบลงโดยกล้ามเนื้อบางส่วนย่อนตัวลงทำให้ซี่โครงกลับลงมาที่เดิมและกระบังลมย่อนตัวดันขึ้นมาในช่องอกโดยกล้ามเนื้อหน้าท้องหดตัวดันอากาศให้ออกจากปอด นี่คือโรงงานทั้งปวงในจิตตานครอณิจังคือความไม่เที่ยงทั้งหลายของจิตตานครเกิดจากโรงงานเป็นต้นเหตุทั้งสิ้นเมื่อโรงงานเองก็ไม่เที่ยงคือแปลเปลี่ยนจากใหม่เป็นเก่าจากแข็งแรงเป็นชำรุดทุดโทมสิ่งที่โรงงานผลิตขึ้นก็ย่อมต้องเสื่อมคุณภาพไปด้วยคือย่อมไม่เที่ยงไปด้วยและความไม่เที่ยงนี้จะแก้ให้กลับเป็นเที่ยง ก็หาได้ไหมวิธีจะรับความไม่เที่ยงที่ถูกต้องสมควรที่สุดจึงไม่ใช่อยู่ที่พยายามใช้วิธีของสมุทัยเข้าปกปิดแก้ไขแต่อยู่ที่การอบรมปัญญาให้เกิดให้ตระหนักในความจริงว่านั่นคือสิ่งไม่เที่ยงต้องแป ร, ปรเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาติดตามเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในจิตตานครได้กับตอนหน้าตอนที่ สิบวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไหม่โดยรัสมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง